ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะมีลูกค้าคนหนึ่งสั่งอาหารมาเป็นอาหารจานใหญ่เลยแต่กินได้ไปเดียวเดียวก็มีโทรศัพท์เข้ามาก็เลยลุจกจับที่นั่นไปนเลยเพราะว่ามีเรื่องเร่งด่วนอาหารที่สั่งมากินนิดเดียวเหลือเยอะเลยต่อใกล้ๆกันเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็อายุพอสมควรเป็นผู้เฒ่าก็ว่าได้ แต่งตัวสมโรมสั่งน้ำมากินแล้วก็กินขนมปังไม่กี่ชิ้นพอเห็นจานปลาจานอาหารที่มีอาหารเหลือเยอะเนี่ยของชายคนนั้นเนี่ยแกก็เดินไปที่โต๊ะเลยแล้วก็ทำท่าจะหยิบอาหารในจานเนี่ยมากินพราะว่ายังไม่ทันกินเลยจู่ๆพนัก ง, งานเสิร์ฟก็มาที่โต๊ะนั้นแล้วก็หยิบ จานที่มีอาหารเหลือเยอะเนี่ยออกไปจากโต๊ะทันทีเลยพีงวดนั้นเนี่ยท่าทางนี้ก็คงจะเป็นคนที่หิวนะคงจะยากจนไม่มีเงินซื้ออาหารก็หวังว่าเนี่ยจะได้กินอาหารที่เหลือค้างจากลูกค้าคนก่อนแต่ว่าไม่ทันได้กินเลยนะจานนั้นก็ถูกยกไปใครที่เห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คงจะ ลึกตำหนินะพนักงานเสริฟนะว่าไม่มีน้ำใจเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่แล้วแล้วมันก็มีเยอะด้วยจะจะมีใครสักคนมากินมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเอาอาหารที่มีอยู่ในจานอย่ไปทิ้งเป็นขยะ อย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงนะตำแหนินางพนักงานเสิร์ฟนะเป็นคนไม่มีเมตตากรุณาไม่เห็นใจคนที่เดือดร้อนแต่ที่จริงเนี่ยสักพักใหญ่เลยนะก็ไม่พักใหญ่ก็ไม่นานนะพนัก ง, งานเสิร์ฟคนนั้นก็เอาอาหารมาให้เป็นอาหารที่เธอสั่งนะด้วยเงินของเธอเองได้ทิปมาก็เอาเงินทิปนี่แหละสั่งอาหาร ก็จานใหญ่เหมือนกันพอพอกับจานเมื่อกี้เลยสั่งมาทาไมนะเอามาให้ผู้หญิงคนนั้นเพราะเธอเห็นว่าเนี่ยผู้หญิงคนนั้นไม่ควรจะกินอาหารเหลือถ้าจะกินทั้งทีก็กินอาหารใหม่ๆไปเลยและเธอก็เต็มใจที่จะออกเงินของเธอเองนะสั่งอาหารนั้นมาให้ผู้หญิงคนนั้นฮก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่ ไร้น้ำใจนะที่จริงแล้วเนี่ยมีน้ำใจมากทีเดียวยอมที่จะเอาเงินของตัวเองเนี่ยมาสั่งอาหารเพื่อมาให้หญิงชราคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราดูภาพแค่ช่วงเดียวเนี่ยก็คงจะนึกตำหนิผู้หญิงคนนั้นพนักงานเสิร์ฟนะว่าเนี่ยเป็นคนที่จิตใจแห้งแล้งอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นนะว่า ความจริงบางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราเห็นถ้าเราเห็นเพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็สรุปไปแล้วว่าผู้หญิงคนนี้จิตใจแห้งแล้งเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะต้องดูให้ตลอดก็จะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้โอน้ำใจงามมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามองอะไรเนี่ยถ้ามองเห็นแค่ครึ่งเดียวนะแล้วก็ด่วนสรุปก็จะตัดสินเลยนะผู้หญิงคนนี้เนี่ย ไม่มีน้ำใจแย่มากของที่เหลือแทนที่จะไปทิ้งเอามาให้คนที่อยากจนกินอย่างดีจะดีสักกว่าแต่ที่จริงเธอทำได้มากกว่า น, นั้นถ้าเป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยเวลาเจอหรือเห็นภาพอะไรเนี่ยเรามักจะรีบตัดสินหรือด่วนสรุปนะทั้งที่ความจริง ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้อย่างมีคนนึงเนเห็นพระรูปหนึ่งเนี่ยขับรถออกจากวัดกลางดึกเลยก็นึกตำหนิในใจนะเนี่ยพระรูปนี้นี่เป็นพระทุศีนท่องราตรีกลางดึกที่จริงเนี่ยพระรูปนั้นไม่ได้ท่องราตรีหรอกนะเนรป่วยกับทันหัน ก็ต้องรีบพานเนเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเพลินคนรถของวัดไม่อยู่ลางงานกลับบ้านพระเลยต้องขับรถเองเลยนะแล้วก็จำเป็นด้วยนะเพราะว่าเนนป่วยกระทันหันแต่คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยไม่รู้เบื้องหลังก็สลบไปแล้วนะครับภารูปนี้ เ, เป็นมารศาสนาท่องราตรีหรือว่าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยพยาบาลนี่กาลังกดโทรศัพท์ ส่งไลน์คนเดีนเหตุการณ์ก็นึกตำหนินะว่าเนี่ยคนไข้ยเยอะแยะพยาบาลนี่ยังมาเล่นไลน์จริงๆเนี่ยพยาบาลไม่ได้เล่นไลน์หรอกนะกำลังส่งข้อมูลการวินิจฉัยนะไปให้คนไข้เป็นเรื่องควรับผิดชอบเป็นหน้าที่อะไรทีเดียวแต่ว่าคนเดีนเหตุการณ์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็น คนไข่คนอื่นหรือญาติคนอื่นเนี่ยพอเห็นแค่นี้ก็ตัดสินไปแล้วนะว่าพยาบาลคนนี้แย่มากไม่รับผิดชอบต่อนหน้าที่มาเล่นลหรือว่ามีภาพรูปหนึ่งเนี่ยนะบ่ายประมาณบ่ายสองเนี่ยไปซื้ออาหารซื้อเกาเหลาซื้อกะเพราคนในเหตุการณ์นี้ก็นึกตำหนิเลยนะบ่ายแล้วนี่ยยังยังซื้ออาหารมากินอีก ไม่มีความรู้จักรับผิดชอบหรือว่าผิดชอบชนดีเลยจริงจริงอาหารที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อให้ตัวเองฉันนะซื้อให้แม่แม่ป่วยหนักแต่ว่าน้องชายซึ่งดูแลแม่เนี่ยมีธุระก็เลยฝากฝังพระซึ่งเป็นพี่ชายซึ่งมาดูแลแม่ว่าตอนบ่ายช่วยไปซื้ออาหารให้แม่ด้วยคราบลูกนั่นก็จะป็นต้องทำนะอาจจะรู้ว่ามันไม่เหมาะนะแต่ว่า แล้วจะให้ใครไปซื้อให้น ะ, ะก็จะต้องซื้อเองและบเ อ, อมีคนเห็นแต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยแทนที่จะมาไต่าถามก็ตัดสินไปแล้วว่าพารุนนี้ใช้ไม่ได้นะมาซื้ออาหารนะตั้งแต่บ่ายเลยมึงสายกินข้าวเย็นด้วยนะหรือว่าเนี่ยมีเห็นบินมาเตอร์ไซค์เนี่ยกาลังเตะต่อย ชายคนหนึ่งซึ่งผอมแห้งแรงน้อยคนที่เห็นนี่เขาบอกโหไอ้บีมอเตอร์ไซค์นนี้มันแกล้งคนไม่มีทางสู้นะทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าจริจริงคนที่ถูกแตะตอเนี่ยนะเป็นคนติดยาที่ไปกโมยกระเป๋านะไปลักเอากระเป๋าของคนในตลาดเจ้าของก็ร้องโวยวายว่ามีถูกคน แย่งกับกระเป๋าไปมันบินมอเตอร์ไซค์นี่ก็ห้ามแล้วนั่นไม่หยุดนะก็ เ, เลยต้องขวางทางแล้วก็เขาก็ยังสู้ก็เลยต้องเตะต่อยกันเพื่อจับตัวให้ได้แต่คนที่ไม่เห็นเหตุการณ์คนนี้เห็นเหตุการณ์แค่นี้เนี่ยก็ไปคิดว่าเนี่ยบินมอเตอร์ไซค์เป็นคนโหดเยี่ยมเนะี่ยทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้นะผอมแห้งแรงน้อย แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นึกจำหนีปลา ป, า, ปานะสมัยนี้ถ่ายรูปด้วยนะเพราะว่ามีโทรศัพท์อยู่กับมือถ่ายรูปก็ส่งขึ้นเฟซหรือว่าส่งไปทางไลนยพรานี่ขับรถกลางดึกนก็ถ่ายเลยแล้วก็อธิบายเสร็จนะมาศาสนากำลังท่องรัตรีหรือว่า พยาบาลนะที่กำลังส่งข้อมูลทางไลน์ไปให้ลูกค้าไปให้ผู้ป่วยก็ไปถ่ายรูปว่าเขากำลังเล่นไลน์ทั้งที่ผู้ป่วยเยอะแยะใช้ไม่ได้เลยนะอธิบายเสร็จสับนะตัดสินเรียบร้อยหรือว่าเห็นพระนะไปเสื้ออาหารในตลาดตอนบ่ายก็ถ่ายรูปเราก็บอกเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยพระทุศีลเลยเที่ยงแล้วก็ยัง กินอาหารอีกบอกว่าคนเห็นเขาก็ลุมด่านะด่าพระด่าพยาบาลนะด่ารวมทั้งวินมอตรไซคคนนั้นชื่อบังเอิญเนี่ยถูกถ่ายรูปแล้วก็ถูกโพสต์ขึ้นมาว่าเนี่ยทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยคนที่ถูกว่านี่ก็ไม่อาจะเป็นพระเป็นพยาบาลเป็นวินมาตรไซค์ก็ก็เรียกว่าเดือดร้อนกันไปเลย นี่เป็นอย่างงี้นะคนเราเนี่ยมักจะด่วนสรุปนะผีพรมตัดสินนะจากภาพที่เห็นโดยที่ไม่ได้มองให้ถี่ท่วนไม่ได้มองว่าเบื้องหลังของภาพที่เห็นนั่นคืออะไรหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาทําอะไรซึ่งมันก็ยากนะคนเราจะเห็นอะไรที่ถี่ท่วนรอบด้านแต่ว่าเมื่อเรารู้ข้อจํากัดของตัวเองเนี่ยก็ไม่ควร รีบสรุปรีบตัดสินว่าเนี่ยความจริงเป็นอย่างนี้เพราะภาพที่เห็นอาจจะไม่ตรงกับความจริงหรือสะท้อนความจริงเพียงบางส่วนั้นถ้าเรารู้ค้อจจำกัดของคนเรานะควาจำกัดว่าเรารู้อะไรเนี่ยไม่ถี่ท่วนไม่รอบครอบไม่รอบด้านแล้วก็รู้ด้วยว่า เ, เรามีนิสัยชอบตัดสินเนเราก็จะระมัดระวังนะอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ไม่รีบด่วนโพสต์ขึ้น Facebook ส่งทางไลน์แต่นี้เป็นกันเยอะเลยนะคนบริสุทธิ์คนที่มีเจตนาดีก็หอยเดือดร้อนอันนี้ต่อไปก็ต้องเราต้องระวังเพราะต่อไปแล้วก็เองเราเองก็อา จ, จะกลายเป็นเหยื่อนะอาจจะทําบางอย่างด้วยเจตนาดีแต่ภาพที่ออกไปเนี่ยคนตีความผิดทั้งหมดนี้มันก็สอนเรานะว่าเนี่ยให้เราอย่าด่วนสรุปอย่าด่วนตัดสินนะถ้าหากว่ายังไม่รู้ความจริงคืออะไรแน่นอนก็ ก็อย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งแชร์นะแล้วถ้ามีโอกาสก็ควรสอบถามนะหาความจริงแล้วถึงค่อยสรุปแต่ถ้าไม่มีเวลาที่จะไปหาความจริงก็ก็แค่นึกเผื่อเอาไว้นะว่าอาจจะเป็นอย่างนี้แต่ความจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้รู้จักทักท้วงนะความคิดอนะ่ไม่ด่วนสรุปถ้าทรานี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สร้างปัญหาหคนอื่นน้อยลงเราจะไป ทำให้คุณหนึ่งใจเป็นเหยื่อจากความปรารถนาดีของเราน้อยลงและต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์นะจากการที่ด่วนสรุปไปในทางลบทางร้าย